ก็เลี้ยงไม่พอกำจัดทุกใหญ่ของเราสัตว์ในลำน้ำคลองสายนี้แห่งเดียวไม่ได้เลยโลกปรากฏเป็นของนากลัวไปในพริบตาทั้งที่เมื่อครู่คลองสายนี้ยังดูสงบสุขเปี่ยมสันติหน้าพิศมัยยิ่งกว่าที่ไหนไหนโลกสันนิวาสอันแท้จริงอาจหลอกตาสัตว์บางประเภทให้หลงเพลินติดใจแต่ขณะเดียวกัน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 รู้ได้เฉพาะตนส่งถ่ายให้ผู้อื่นรับรู้ตามไม่ได้ถ้าพยายามพูดคนก็อาจหาว่าบ้าไปเองคิดไปเองเท่านั้นเหลือบตามองพื้นศาลาลูกแมวผอมโซที่มีขนเพียงรมแร๋มตัวหนึ่งเดินมาหาฉันดูมันตัวสั่นคล้ายคนชราท่าทางงกงกเงินเงิน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 เราก็เป็นคนอ่อนไหวขี้สงสารเห็นสัตว์ตกทุกข์ได้ยากแล้วน้ำตาพานจะไหลฉันรีบเดินไปยังร้านค้าที่ใกล้วัดที่สุดซื้อขนมปังและอาหารบางอย่างที่คาดว่าแมวและปลาน่าจะกินได้หอบกลับมาพเพลเรเกวียนต้องเดินหาลูกแมวตัวน้อยพัดหนึ่งเพราะมันไม่ยืนอยู่ที่เดิมแล้วฉันเจอมันไม่ห่างจากศาลาท่าน้ำเดิมนัก